m ช่วงนี้มีชาวจีนมาปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าสุขโตกันหลายคนเรียกว่ามีความตั้งใจในการปฏิบัตินะถึงกลับมาบวชพระผู้หญิงก็บวชชนะีแม้ว่าจะมีเวลาไม่นานนะแต่ว่าก็ตั้งใจนะมาปฏิบัติ จะมาปฏิบัติที่วัดป่าสุขโตก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็มีเวลาถึงจะมาปฏิบัติได้เพราะว่าผู้จัดเนี่ยก็กําหนดเป็นเงื่อนไขว่านะคนที่จะมาปฏิบัติที่สุขโตได้นะก็ต้องผ่านการอบรมนะปฏิบัติธรรมอย่างเข้มขน้นอย่างน้อยก็สองครั้งนะ ถึงจะมาบวชที่เมืองไทยได้การปฏิบัติที่เมืองจีนแต่ก่อนก็มีมีพระนะจากทางสุขโตไปสอนไปชี้นำการปฏิบัติหลวงพ่อคำเข่งก็เคยไปอาตมาก็เคยไปอาจารย์โนตก็เคยไปนะรวมทงอาจารย์ตรงหมิงด้วยแต่เดียวนี้ พระที่จะไปสอนนี่ทำได้ยากแล้วเพราะว่าเมืองจีนก็มีข้อกำหนดที่ทำให้การขอวีซ่าของพระสงฆ์ไทยนีนะ่มันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ทราบว่าพระสงฆ์ไทยเราไปทำอะไรที่เมืองประเทศจีนนะทำให้เขานะไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นคารวาสนะคนไทยไปได้ไม่มีปัญหานะแต่พอเป็นพระก็จะมีเรื่องยุ่งยากมากเส้นสายอะไรก็ดูจะไม่ช่วยเท่าไหร่เลยนะแต่ถึงแม้ไม่มีพระไปสอนนะเขาก็ก็เรียกว่าทำกันเองนะอาศัยวิดีโอนะที่เคยถ่ายทำมาไวนะ้ตอนที่มี หลวงพ่อบางอัตมาบางอาจารย์นโนตบางไปแสดงธรรมเาก็ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติเนี่แหละดูวิดีโอไปแล้วถึงเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติกันเองไม่ต้องมีพระมาคุมก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบนะมีความตั้งใจสูงถั้งทงที่ไม่มีครูบาอาจารย์จากเมืองไทยไปสอนนะก็ได้ทราบว่าคนจีนก็ ยังอยากจะไปปฏิบัติไม่มีครูสอนอโดยตรงนะแค่ดูวิดีโอเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นปรากฏการใหม่นะในประเทศจีนซึ่งก็มีมานะคิดว่าเป็นสิบปีแล้วต้องก่อนคนจีนนี่เขาเรียกว่า อ, อยู่กันลาบากนะปากกัดตินที เพราะความยากจนผู้คนก็คิดถึงเรื่องการหาอยู่หากินแต่ตอนนี้เศรษฐกิจของคนจีนจำนวนมากก็ดีขึ้นดีขึ้นมากมากอย่างน่าตกใจรวดเร็วมากนะเมื่อช้านี้ก็ได้ฟังข่าวก็รายงานว่าเนี่ยมหาเศรษฐีในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มีจำนวนมากกว่า ในประเทศอเมริกาซะอีกนะใน จ, จีนนี่ก็เพิ่งนะเรื่องพัฒนาประเทศหรือพัฒนาเศรษฐกิจมาเมื่อ30ปีมานี้เองนะแต่ว่าเศรษฐีเงีนี้มีมากกว่าทุกประเทศในโลกแล้วก็จําไม่ได้ว่าเขาวัดกันระดับร้อยล้านหรือพันล้านนะดอลลาร์อันนี้คนเนี่ยเมื่อมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะพังพร้อมด้วยวัตถุนะ ไม่งไม่ต้องถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีหรอกนะแค่เรียกว่ามอาีอยู่ดีกินดีไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องก็จะมีมักจะมีปัญหาอื่นตามมาก็คือนะความทุกข์ใจความเครียดความวิตกกังวลอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากในในทุกประเทศเลยนะในหมู่คนที่มีเงินมีทอง แล้วก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันมากนะในอเมริกาเนี่ยคนที่ไปหาหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ดีที่คลินิกก็ดีเนี่ยห้าสิบเ็ดิบเปอร์เซ็นเนี่ยโดยล้วแต่มีปัญหาที่เกี่ยวพันกับความเครียดความวิตกกงังวลยาที่ขายดีที่สุดนะแปดในสิทธ์อันดับต้นนี่ก็เป็นยาเกี่ยวกับเรื่องคลายความเครียดยานอนหลับยาลดความซึมเศร้ายา ช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งต่อไปก็คงจะเกิดขึ้นในประเทศจีนเมืองไทยเราก็มีคนป่วยเพราะเหตุแบบนี้เยอะอย่างนี้ป่วยกันเยอะมากนะโรคทางใจซึมเศรา้าจนบางคนเรียนหนังสือไม่ได้บางคนเรียนเรียนแพทย์ปีห้านี้ก็นี่ได้ข่าว มีคนยงมาปรึกษาว่าทำยังไงดีลูกเนี่ยเรียนจนถึงปีห้าแล้วเรียนต่อไม่ไหวท้านที่อีกไม่กี่วิชานี่ก็เรียกว่าเป็นหมอฝึกหัดได้แล้วโรคซึมเศร้าอยากจะค่าตัวตายอันนี้เป็นปัญหาที่ได้ยินะได้ฟังมามากมายนะผู้คนตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติ หันมาสนใจเรื่องการดูแลรักษาจิตใจมากขึ้นก็มีชาวจีนอย่างที่ว่าเนี่ยก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ก็มาปฏิบัติกันที่นี่ก็ไม่ได้นานนะคงไม่เกินเดือนเมื่อสองเมื่อวันสองวันนี้ก็ได้มีการสนทนาธรรมกับนักปฏิบัติชาวจีนเมื่อบ่ายนี้ก็มีการซักถามสนทนาธรรมกันด้วยเหมือนกันนะ ก็มีคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเนี่ยมีสั ญ, ญลักษณ์นะอยู่ตรงอตรงผนังที่วางรองเท้าอ่ะนะอที่วา่าลชั้นวางรองเท้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นนะเป็นรูปสั ญ, ญลักษณ์หยินหยางก็มีคนถามว่ายินยานี้มันมีความสําคัญอย่างไรกับที่นี่หรือเปล่า คนจีนนี่เขาคุ้นเคยกับสั ญ, ญลักษณ์นี้ดีนะหยินอย่างมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของลัทธิเตานะ๋าแต่ว่าก็มีหลายๆอย่างนะที่คล้ายคลึงกับความคิดในพุทธศาสนาก็ได้อธิบายนะชี้จแจงว่าสั ญ, ญลักษณ์เนี้ยมันก็มีเนื้อหาสาระ ใกล้เคียงกับพุทธศาสนาล้วนทั้งคำสอนของหลวงพ่อเทียนหลว่าคำเขียนด้วยสัญลักษณ์นี่มันหมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าสิ่งตรงข้ามกันนี่มันก็อยู่ด้วยกันสิ่งตรงข้ามมนไม่ได้แยกจากกันในทุกสิ่งเนี่ยมันก็จะมนะีสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามอยู่ด้วยกันเช่นในหญิงในหญิงก็มีชายในชายก็มีหญิงหรือว่าถ้าโยงเข้ามาถึงพุทธศาสนาหน่อยนะ อันนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้นะว่าความตายมีอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวนะและความไม่มีและโลครคภัยไข้เจ็บก็อยู่ในความไม่มีโรคเรามาคิดว่าชีวิตกับความตายอยู่ด้วยกันนะมีชีวิตถึงจุดหนึ่งก็ต้องตาย แต่ที่จริงแล้วความตายเนี่ยมันมีอยู่ในทุกขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่มันก็มีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราทุกวินาทีมีเซลล์ตายนะวันหนึ่งเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมีคนนับน ะ, ระหรือเปาหรือคำนวณอยประมาณ5้าหมื่นถึงแสนล้านเซลล์ทุกขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทุกขณะที่เราหายใจนะมันมีความตายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าไปตายอาตอนหมดลมนะความตายก็เกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องนะและสุดท้ายเนี่ยมันก็อนํานไปสู่การสิ้นลมนะหมดลมหัวใจหยุดเต้นอันนี้เรียกว่าความตายมีอยู่ในชีวิตนะความแก่ก็อยู่ในความหนุ่มสาวนะคนเราเนี่ยแม้แต่เป็นเด็ก มันก็มีความแก่นะแล้วก็มีแต่จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะแก่ขึ้นก็คือว่าจากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มอันนี้เรกาแก่ขึ้นนะก็คือมีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพอถึงสามสิบสี่สิบเริ่มแก่ลงแล้วนะก็คือสู่วัยชาราตอนนี้กำลังวังชาก็ถดถอยลงไปอันเด็กเนี่ยเล็กๆนี้ก็เรียกว่าแก่นะ อย่างน้อยก็แก่กว่าเด็กที่ยังอยู่ในท้องคลอดออกมาเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยก็เรียกว่าแก่แล้วนะเมื่อเราเทียบกับเด็กที่อยู่ในท้องอความแก่ก็มีอยู่ในทารกโรคก็อยู่ในความไม่มีโรคนะในค่ะที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันมีความผิดปกติหรือนะความ โรคภัยไข้เจ็บที่กาลังก่อตัวอยู่ในร่างกายของเราอย่างไรบ้างบางทีขณะนี้เซลล์มะเร็งนะหรือว่า ก, อ marine, ก้อนมะเร็งก็กำลังก่อตัวอย่างที่ไม่รู้ตัวคนบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวตัวเองเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็ต่อเมื่อเนี่ยก้อนมะเร็งมันใหญ่แล้วให้ตอนที่คลาไม่เจอเนี่ยก็คิดว่าตัวเองสุขภาพดีนะแต่จริงไม่ใช่หรอก มันมีก้อนมะเร็งอยู่แต่ว่าไม่คลำ ม, มันต่างหากหรือว่าคลำแต่ไม่เจอที่ไม่เจอไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันก้อนเล็กนะบางคนไม่เคยคลำเลยนะจนกระทั่งนะมันก้อนโตเนี่ยมีไปเจออาสาคนที่อายุสาสิบห้านะไปเข้าไปอบรมนะเผชิญความตายสงบเขาบอกไม่เคยไม่เคยคลำไม่เคยตรวจภายในเลยนะมาเพราะ ม, มีก้อนอยู่ ในทองนี่ขนาดสิบแปดเซนโอใหญ่มากไอ้ตอนที่คัมไม่เจอคิดว่าตัวเองปกตินะแต่คนที่คิดว่าตัวเองปกติหรือคิดว่ามีสุขภาพดีเนี่ยนะหลายคนหารู้ไม่ว่านะความเจ็บป่วยมันกาลังก่อตัวขึ้นมาเพียงแต่ไม่รู้หรือว่ายังไม่เฉลียวใจก็นั่นแหละอันนี้ก็เรียกว่านะความเจ็บป่วยมันอยู่ในความไม่มีโรค อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่มันสามารถแสดงด้วยสัญลักษณ์ยินยางนะคือสิ่งที่ตรงข้ามกันมาไม่ใช่ว่ามันอยู่คนละขั้วมันอยู่ด้วยกันเหมือนกันในความมืดก็มีแสงสว่างในแสงสว่างก็มีความมืดเนะงานเนี่ยนะมันก็เป็นความมืดอย่างหนึ่งนะแล้วเงามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงสว่างใช่ไหม ถ้ามีแสงสว่างก็ไม่มีเงามืดนะและในความมืดมันก็มีแสงสว่างมืดเนี่ยแม้ว่าแม้จะมืดสนิทนะแต่มันก็มีแสงสว่างนะเพราะเหตุ น, นี้แหละหนูเนี่ยมันจึงสามารถจะวิ่งเล่นนะออกหากินได้แม้กระทั่งในคืนที่มืดสนิทนะมันมืดสําหรับเราแต่มันยังสว่างนะสําหรับหนูหรือว่าสัตว์อ่าประเภทนี้ใน ความสว่างเนี่ยก็ต้องอาศัยความมืดความสว่างต้องอาศัยความมืดนะออ factor, นะไฟฉายเนี่ยนะหลอดไฟเนี่ยถ้าเป็นสว่างนะถ้าเป็นช่วงกลางวันนะเราไม่เห็นความสว่างวั่นนั้นนะเราจะเห็นความสว่างของหลอดไฟนะของไฟฉายได้เนี่ยมันต้องมืดนะยิ่งมืดเท่าไหร่เนี่ยไฟฉายก็ยิ่งสว่างมากเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกลางวันแสกแสงเนี่ยนะเราจะไม่มีทางหรือยากที่จะเห็นว่า หลอดไฟมันสว่างเลยอันนี้เรกว่าความสว่างต้องอาศัยความมืดนะและความมืดก็ต้องอาศัยความสว่างนะอย่างที่บอกไม่มีเงาถ้าไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีเงามืดมันต้องพึ่งพาสายกันนะหรือว่ามันต้องมันอยู่ด้วยกันนะอันนี้ถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละในสั้นก็มีความยาวในความยาวก็มีความสั้นนะ เราลองนึกเสษอะไรที่สั้น่ะนะอาจจะเป็นเข็มเนี่ยนะเข็มเราบอกว่าเข็มสั้นนะแต่ถ้าเอาเข็มเนี่ยนะไปเทียบกับซิมก็ได้เนี่ยเข็มมันก็กลายเป็นยาวขึ้นมาเลยไม้เมเนี่ยเราว่ามันยาวนะแต่พอไปเทียบกับสาไฟฟ้านี่มันกลายเป็นสั้นเลยสั้นกับยาวอยู่ด้วยกันนะ อันนี้ก็เหมือนกับยิงกระยางอยู่ด้วยกันในสุขกับทุกข์ก็อยู่ด้วยกันนะในสุขกับทุกข์ไม่ได้อยู่คนละสดอยู่คนละซี่คนละฝ้าอยู่ด้วยกันไม่ว่าอิริยาบถใดที่เราคิดว่ามันสบายนะเช่นนั่งพิงเสาหรือว่านั่งบนเก้าอี้หรือว่านั่งไขว่ห้างหรือแม้แต่นอนนะนะเราคิดว่ามันสบาย พออยู่ในอิเลียบทนั้น น, น, นานๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเริ่มเมื่อแล้วต้องขยับแล้วต้องเปลี่ยนอิเลียบทล่ะอันนี้เรียกว่าความไม่สบายเนี่ยหรือทุกเนี่ยมาอยู่ในความสบายนะทุกมันอยู่ในในสุขนะของอร่อยอร่อยเนี่ยเรากินไปเถอะนะกินไปทุกวันทุกวันทุกวันกินทุกมมื้อทุกมมื้อเนี่ยไม่เกินอาทิตย์นะมันจะเริ่มไม่อร่อยแล้วอะ มันจะเริ่มแม่อร่อยแล้วจากอร่อยก็เริ่มเป็นเฉยๆแล้วถ้ากินต่อไปนะมันก็เริ่มเบื่อกินต่อไปก็เริ่มเอียนแล้วแล้วถ้ยังยังไม่เลิกกินนะมันก็จะอาเจียนเลยเรียกว่าความไม่อร่อยเนี่ยมันก็อยู่ในความอร่อยนอาชันได้ก็ชันั้นเนี่ยนะในสุขก็มีทุกข์การในเรื่องเดียวกันในทุกข์ก็มีสุขนะในทุกข์ก็มีสุข แล้วคนที่เขายากจนนะนะอย่างเช่นชาวบ้านเนี่ยเรามองด้่สายตาของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาทุกข์นะจะไปไหนก็ต้องเดินเอานบางทีก็ต้องทำงานใช้แรงอาบเหงื่อตังน้ำบางทีข้าวอาหารก็ไม่ไม่เพียงพอแต่แล้วเขาก็มีความสุขนะชาวบ้านเนี่ย ที่เขาอยู่ลําบากลาบากเนี่ยแต่ว่าเขามีความสุขเอาตรงข้ามนะคนรวยนะร่ํารวยมากมายร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีเลยกลับทุกขนะ์นะนะทุกข์เป็นเพราะโรคเครียดเพราะวิตกกังวลนะอันนี้วัาในสุขมีทุกข์แล้วก็ในทุกข์ก็มีสุขคนที่อยู่ลําบากอัตคัดเนี่ยเขามีความสุขก็มีเยอะนะเวลาเราไปนะ่ะไป ไปอย่างประเทศที่เบตเนี่ยหัวเห็นคนเขาอยู่กันลาบากมากเลยนะคนที่เบตน้ำท่าก็หายากต้นไม้ฟืนนะก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายอยู่ท่ามกลางความหนาวนะนะแต่คนที่เบตเป็นคนที่ยิ้มง่ายเป็นคนที่มีความสุขง่ายคนที่เจ็บป่วยหรือคนที่แก่ชาราอันนี้ค็เรียกว่าทุกข์นะ แต่คนที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์เพราะแก่ชาราทุกข์เพราะเจ็บป่วยเนี่ยแต่ที่มีความสุขก็มีแล้วก็เยอะด้วยหลายคนเนี่เป็นมะเร็งนะแต่กลับรู้สึกสงบเย็นนะกว่าคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยบางคนก็บอกเนี่ยขอบคุณที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะทำให้เขาได้มาพบธรรมะได้มาพบว่าอ้ความสุขแท้จริงอยู่ที่ใจ กายป่วยนะแต่ว่าใจสงบนะอั น, นี้เรียกว่าในทุกมีสุขผู้เจ้าก็ตัดไปเองเลยนะว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกขก็ยังหาสุขพบนะแต่ถ้าคนไม่มีปัญญานะแม้มีสุขหรือแวดล้อมด้วยความสุขก็เห็นแต่ทุกขอันนี้ความจริงแบบเนี้มันก็เป็นตัวแทนนะเขาก็แสดงออกมาในรลกของยินอย่างเหมือนกันนะมอเตือนใจเราว่าเนี่ย สิ่งที่ตรงข้ามกันเนี่ยบางทีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่บางทีอะเรียกว่าเป็นเป็นธรรมชาติของเขาเลยเนี่ยที่จะต้องอยู่ด้วยกันสิ่งตรงข้ามเนี่ยด้วยนี่หลวงพ่อ เ, อเขียนนั้นนะก็จะสอนอยู่เสมอนะว่าในทุกมีความไม่ทุกในหลงนะมันมีความไม่หลงในโกรธมีความไม่โกรธ บางทีท่านก็พูดว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงะเปลี่ยนความโกรธหรือเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธนะมัน ja, จะเปลี่ยนได้ยังไงนะถ้าในหลงเนี่ยมีความไม่หลงอยู่ถ้าไม่มีถ้าในหลงไม่มีความไม่หลงอยู่นะถ้าในทุกข์ไม่มีความไม่ทุกข์อยู่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้ทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ไม่ได้แล้วก็เหมือนกับเราจะเปลี่ยนหญิงให้เป็นชายเนี่ย มันทำได้เพราะว่าในหญิงนั้นมีความเป็นชายอยู่นะเราจะเปลี่ยนคนเพศชายเป็นหญิงได้เนี่ยก็เพราะว่าในตัวเขาเนี่ยมันที่เป็นชายมันมีความเป็นหญิงอยู่นะเปลี่ยนชายเป็นหญิงได้เดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนหญิงให้เป็นชายก็ได้แต่นั่นเป็นเรื่องทางโลกนะในทางธรรมเนี่ยในทุกมีความไม่ทุกอยู่ เราสามารถที่เปลี่ยนทุกข์ใจเป็นความไม่ทุกข์ได้เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเราไม่เอาแต่บน่นโวยวายติโพยตีพายเนี่ยเราพิจารณาความทุกข์นะเราจะเห็นเลยนะว่าอะไรคือสมุทยัยอะไรคือสาเหตุนะความทุกข์ใจเนี่ยสาเหตุก็ได้แก่ความยึดติดถือมั่นนะหรือได้แก่ตัณหาหรือได้แก่กิเลสอวิชชา ทุกกายในเรื่องหนึ่งนะทุกกายเช่นความเจ็บป่วยนี่ก็อาจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ทุกใจเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกนะไม่ใช่เพราะว่าถูกคนต่อว่าด่าทอไม่ใช่เพราะสูญเสียคนรักไม่ใช่เพราะอากาศร้อนหรือว่าอากาศหนาวนั่นปัจจัยภายนอกนะมันไม่ทำให้ทุกใจได้อย่างมากก็ทำให้ทุทกกาย แต่ถ้าทุกข์ใจเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เพราะมันมีความยึดติดถือมั่นมันมีกิเลสมันมีอวิชชาอยู่นคนรวยรวยล้นฟ้าเดแต่ก็ยังทุกข์นะเพราะเขาก็ยังมีมีตัณหามีกิเลสเช่นอยากจะรวยมากกว่านั้นไม่พอนะไอ้ที่รวยอยู่ไม่พอมาเป็นต้นดังั้นถ้าเรา เมือ่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นให้พิจารณาดูเถอะนะมันก็จะพบว่าตัวสมุทัยเนี่ยกคือนะกิเลสคือวิชาคือตัณหาเรียกไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ความหมายเดียวกันแหละความยึดติดถือมัน่นแล้วเมื่อเรารู้ว่าทุกพอยึดติดถือมั่นนะไม่ทุกจะทํายังไงนะก็วางซะไม่วาง หรือคลายความยึดติดถือมั่นเมื่อเราเห็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความไม่ทุกข์ก็เผยหรือเฉลยให้กับเรานะเมื่อเรารู้ว่าทุกข์เพราะแบกเราก็จะพบต่อบไปอ๋อถ้าจะไม่ทุกข์ก็ต้องวางใช่ไหมเมื่อเราพบว่าทุกข์เพราะมีตัณหาเราก็จะพบต่อไปว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องนะละตัณหา งั้นในความทุกเนี่ยนะมันจะพาเราให้เห็นถึงหนทางแห่งความไม่ทุกเมื่อเราพิจารณาความทุกเราก็จะเห็นว่าอ๋อทุกเพราะวางอัตุเพราะแบกเราก็จะรู้ว่าถ้าจะไม่อยากจะทุกถ้าจะไม่ทุกก็ต้องวางนะคำตอบมันเฉลยคําตอบของความไม่ทุกมันเฉลย อ, ยอยู่ในตัวเมื่อเราพิจารณาความทุกนะ ด้วยนี้พู้เจ้าจึงตรัสว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือกำหนดรู้นะไม่ต้องละนะถ้าเราละเราก็จะไม่รู้ว่าถ้าเราพยายามละพยายามที่จะกำจัดความทุกข์เราก็จะไม่มีทางที่จะเห็นว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วเมื่อเราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าแล้วจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรหรือว่าอะไรที่จะทาให้ไม่ทุกข์นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแต่ก็ตามที่เราเจอความทุกข์เนี่ยให้เรารู้ว่ากุญแจที่จะเฉลยอ่ากุญแจที่จะไขไปสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยมันมันได้ปรากฏกับเราแล้วนะเพียงแต่เราต้องมองให้ทะลุนะะถ้าเราทิ้งมันไปนะเราก็เหมือนกับว่าทิ้งของดีมันเหมือนกับ ะทุเรียนเนี่ยนะทุเรียนเนี่ยหนามันแหลมเวลาเราจเจอทุเรียนบางทีอาจจะโดนมันทิ่มเราจะทำไงกับทุเรียนนั้นทิ้งมันไปเหรอเนาะคนโง่เท่านั้นแหละที่ทิ้งทุเรียนไปเพราะเหตุเพียงว่าหนามมันแหลมอคนฉลาดก็จะรู้ว่าในความแหลมในหนามแหลมของทุเรียนเนี่ยมันมีเนื้อที่อร่อยอยู่นะงั้นถ้าเราเฉาะถ้าเรา เอาเปลือกมันออกนะเราก็จะเห็นเนื้อเราก็จะได้ของดีนะในความในเปลือกที่แหลมของทุเรียนเนี่ยมันมีเนื้อหวานเนื้ออร่อยอยู่เราต้องรู้จักนะเอาเปลือกออกไปแล้วเราก็จะได้เนื้อทำนองเดียวกันในทุกก็มีความไม่ทุกเพราะเหตุ น, นี้แหละนะอันนี้เปรียบอุปมาเปรียบได้เหมือนกับนะ ปลั๊ไฟก็ได้อ่าไม่ใช่เรปลับไฟสวิตไฟสวิตไฟเนี่ยนะมันเป็นสวิตสวิตที่ทําให้มืดนะกับสวิตที่ทําให้สว่างเนี่ยมันคนละอันกันหรือเปล่าไม่ใช่คนละอันมันอันเดียวกันสวิตที่ทําให้มืดก็สามารถจะเป็นก็เป็นสวิตเดียวกับที่ทําให้สว่างได้หรือเหมือนกับประตูหรือลูกุญแจลาลูกุญแจที่มันล็อกประตูเนี่ยที่ปิดเราเอาไว้ มันก็เป็นรูกุญแจเดียว ก, ก, กันกับที่สามารถจะเปิดให้เราไปสู่อิสระได้ประตูคุกเนี่ยนะนะมันจะปิดเราให้ถูกขังอยู่ในคุกเนี่ยก็อาศัยรูเดียวกันกับที่เปิดให้เราสู่อิสระภาพได้เน้นในทุกเนี่ยมันจะมีความไม่ทุกอยู่นะเช่นเดียวกันในในหลงก็มีความไม่หลงอยู่ในโกรก็มีความไม่โกรก ท่านติณธรรนะท่านพูดเป็นแบบโกวบท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อมีความโกรธขึ้นนะก็ะให้โอบกอดนะมันด้วยสตินะความโกรธที่ถูกโอบกอดด้วยสติเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเมตตากลายเป็นความไม่โกรธนะสติที่เป็นตัวเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกนะเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงนะเปลี่ยนโกรธกลายเป็นความไม่โกรธ เวลาเราโกรธเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยนะความไม่โกรธเนี่ยมันมาแทนที่เลยเวลาเราทุกข์เนี่ยหงุดหงิดลำคาญใจเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บนี่ความหงุดหงิดลำคาญใจมันเปลี่ยนคืนกลายเป็นความปกติไปเลยสติเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถจะเปลี่ยนนะทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้นะเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงยิ่งท้าสตินั้นเนี่ยนะพัฒนาไปกลายเป็นปัญญานะ หรือว่านําไปสู่ปัญญาเนี่ยนะมันยิ่งทําให้หลุดจากทุกได้เลยนะความทุกนี่มันนะมันจะกลายเป็นอ่าหนทางไปสู่ความไม่ทุกได้ทันทีหลวงพ่ออมเกล็นเคยพูดเนี่ยนะเห็นทุกก็พ้นทุกนะเห็นทุกก็พ้นทุกเห็นทุกในที่นี้เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยสติเท่านั้นนะเห็นด้วยปัญญาพอเห็นทุกเนี่ยมันก็พ้นทุกเลยเพราะว่ามันรู้แล้วว่าทุกเพราะยึด ทุกพอยึดนะ่พอวางมันก็หายทุกพ้นทุกอาจารย์กับพลทองบุญนุ่มซึ่งเป็นคนพิการนะไม่ได้พิการแต่กำเนิดพิการตอนที่ยังหนุ่ม24ปีแต่ตอนหลังก็ออกจากความทุกได้กายยังพิการอยู่นะแต่ใจเนี่ยนะไม่ทุกแล้วอาจาเคยพูดว่าเนี่ยขอบคุณความทุกนะเพราะความทุกทำให ความทุกทําให้รู้ทําให้รู้จักนะทางออกจากทุกนะความทุกเนี่ยมันจะมันจะแสดงนะมันจะเปิดเผยทางออกจากทุกได้เพราะนั้นเนี่ยนะเรานะเวลาเจอทุกเนี่ยนะอย่าไปอย่อย่ามาโม่ตีโพยตีพายหรือจะไปรังเกียจนะตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูนะ มันก็จะเห็นทางที่ออกจากทุกข์ได้สู่ความไม่ทุกข์เราก็ปฏิบัตินะเราก็ใช้วิธีการเจริญสตินั่นแหละนะเจริญสติเพื่อสร้างเครื่องมือนะสำหรับการใช้รับมือกับความทุกข์นะไม่ว่าทุกข์กายหรือทุกข์ใจใช้สตินั่นแหละเป็นเครื่อง ที่ใช้ในการดูใช้ในการกำหนดรู้ถ้าเราเห็นทุกข์นะด้วยสติเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์นะไอท้ที่ส่วนใหญ่เวลามีทุกข์แล้วเนี่ยมันเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ก็เลยตีโพยตีพายจนบางคนอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นนะ คือเข้าไปเป็นหรือเข้าไปยึดว่าเป็นเราของเราแต่ถ้าเรารู้จักมองนะเห็นมันนะไม่เข้าไปเป็นเนี่ยไอ้ทุม่มก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อกองไฟเนี่ยกองไฟมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างจากกองไฟอย่างดีมัมก็ร้อนเผาๆนะยิ่งอยู่ห่างไกลเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกร้อนเลย กองไฟทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ดูนะแต่ถ้าเรากระโจนเข้าไปแนกอ ง, งไฟเมื่อไหร่ตรงนั้นล่ะเป็นเรื่องนะกองไฟงก็เหมือนกับทุกนะมันมีอาไว้ให้เราดูนะไม่ใช่โจรลงไปเข้าไปเป็นถ้าที่เราจะดูได้ก็ต้องใส่การเจริญสติอยู่นะอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนให้ไปให้หลักเอาไว้นะทำเล่นๆนะแต่ทำจริงๆ ทำเล่นๆกัทำจริงดูเหมันตรงข้ามกันนะแต่ที่จริงมันอยู่ได้กันเหมือนกับหญิงกับหยางเหมือนกันกนะทำเล่นๆกับทำจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คั่วตรงข้ามที่อยู่เันคนละคนละฝังนะ่งมันอยู่ได้กันได้อทำเล่นๆนะทำโดยที่ไม่คาดหวังทำด้วยใจที่ปล่อยวางแต่ทำจริงจังนะตั้งแต่เช้านะจนเข้านอนเลยไม่ว่าจะอยู่ในอเรีย บ, บทใดก็ ถือเป็นการปฏิบัติไปหมดนะไม่ใช่ว่ามายกมือสร้างจังหวะเอานะกันตอนหลังฉันหรือว่าก่อนทําวัดเย็นพออาบน้ําำก็เลิกถ้าไม่ใช่นะมันต้องทําตลอดไม่ว่าจะอยู่ในเรืยองป่ใดก็ถือเป็นการปฏิบัติเรียกว่าทําจริงๆนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันปล่อยว่างไม่ได้ทําด้วยอาการหน้าดำขําเคร่ง หรือทำด้ความเครียดไม่ได้คิดอยากจะเอาเนี่ยถ้าทำเล่นๆกับทาจริงๆเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันตรงข้ามกันแต่ที่จริงมันสามารถจะเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะเหมือนกับสัญลักษณ์หยินหยางเนี่ยขาวกับดำเนี่ยมันก็มาเชื่อมเป็นอันเดียวกันได้เวลาเราเห็นสัญลักษณ์หยินหยางเนี่ยนะก่อนมาทำวันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะมัน มันสอนทาแล้วก็มันบอกแนวทางการปฏิบัติได้ดีทีเดียวคำนี้ก็พกัท่า น, นี้นะอากาศ